เก็บารมณ์เก <c oughs> ็บารมณ์ก็คือการเก็บสตินั่นเองทาความรู้สึกตัวเพื่อให้มันต่อเ น, นื่องในช่วงการผปลี่ตัวไปอยู่ห่างๆกันจะได้ประโยชน์มาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการอยู่ใกล้กันในช่วงแรกก็มีประโยชน์ในแง่การเป็นกัลยาณมิตร คนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเวลาเราเจอความเบื่อความเซ็งความเกลียดกร้านขึ้นมาก็ามองเห็นคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทาก็เป็นกำลังใจว่าถึงช่วงหนึ่ง <c oughs> เราเริ่มบริหารจัดการตัวเองได้แล้วเนี่ยการปีกไปอยู่คนเดียวจะมีส่วนทาให้เกิดความเป็นอิสระจากภายนอกก่อนการอยู่คนละมุมละมุมเป็นส่วนตัวของใครของท่านเนี่ย ที่สุดก็เกิดภาวะกายาวิเวกไม่ต้องกระเพื่อมในการอยู่ใกล้กันทางคนนั้นเดินตรงนี้คนนี้นั่งตรงนี้ส่วนทางกันบางครั้งก็มีส่วนทําให้เกิดการกระเพื่อมเกดการประทบอารมณ์ซึ่งกันและกันนั่นการกรีดอยู่คนเดียวตอนนี้เกิดสภาพเดวากายาวิเวกกายาวิเวกคือการได้อยู่คนเดียวได้เป็นอิสระจากบุคคลจากบัญญัติจากวัตถุ ทำให้เราได้เกิดการเฝ้าดูตัวเองได้อย่างละเอียดแล้มากขึ้น <c oughs> <c oughs> นั่นการได้หลบไปอยู่คนละ ม, มุมละ ม, มุมจะทาให้เราเป็นอสิสระจากภายนอกอิสระภายนอกนี้กาเรียกวิากาวเวกนะไม่ต้องขึ้นตรงกับใครไม่ต้องขึ้นตรงกับอะไรนั่นจากนั้นเราก็มาเรียบเรียงความรู้ตัวให้ให้มันคงนะในช่วงที่เราปฏิบัติปวดเมื่อยฟุ้งคิด อาการเรานี้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการปฏิบัติธรรมไม่ได้หาความสบายไม่ได้ว่าไม่ได้เอาความสงบความสุขความสบายเป็นตัวตั้งนะให้เรียนรู้กายใจตัวเองตามที่มันเป็นจริง <c oughs> ใครมีอะไรมากสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นก่อนใครมีโลภมากโลภาก็จะแสดงตัวติดสุขติดสบายติดอยู่ติดจินความคิดความฟุ้งแนว ใ, ใจของเราก็จะเป็นแนวนั้นใครมีโทสา ม, มา ก, ก็จะแสดงโทสาให้เห็นบ่อยเวียนมาบ่อยๆใครมีโมหา ม, มากก็จะแสดงโมหะบ่อยซึมหดหูฟุ้งฝันนั้นใครมีอะไรสิ่งนั้นก็จะแสดงตัวออกมาในการทางกายอาการทางจิตนั่นการทําความรู้สึกตัวคือการเรียนรู้ศึกษาจิตใจตนเองกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในการในใจความเศร้าหมอง ที่เกิดขึ้ น, บบนด้วยอำนาจความฟุง้งความซึมความหมดหูอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาให้เราเห็นให้เราเรียนรู้จะได้ว่าจิต ท, ที่เป็นปกติไม่ฟุง้งไม่ฝันไม่ซึมตรงโล่งเป็นอิสระกับจิต ท, ที่ถูกกิเลสครอบงําเช่นง่วงซึมหดหูฟุง้งตรุงอึดอัดเหล่าเนี้มันจะมีลักษณะของมันที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาเราจเจริญสติทําความรู้สึกตัวเนี่ย ทำให้มันต่อเนื่องให้ละเอียดให้ประณีตกับตนเองวางใจให้สบายสบายให้กายกระใจสัมพันธ์กันยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไปการที่เราได้อยู่คนเดียวไม่ต้องถูกจัดการจากสภาพแวดล้อมเวลาเรานั่งเรายืนเราเดินให้เห็นรายละเอียดของตนเองขณะที่พลิกมือขึ้นกายกระใจสัมพันธ์กันดีไหมสังเกตนั่งไปสักระยะหนึ่งเวลาความปวดความเมื่อยมันแสดงตัวขึ้นมา อย่าเพิ่งไปตามความเจ็บความปวดความเมื่อยให้ดู Whew. ความรู้สึกตัวกับความปวดไม่ใช่สิ่งเดียวกันความคิดกับความรู้สึกตัวไม่ใช่อันเดียวกันความฟุ้งซ่านกับความรู้สึกตัวไม่ใช่อันเดียวกันความสงบกับความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความรู้สึกตัวมันจะอยู่นอกๆไม่เข้าในเกินไปไม่ออกนอกเกินไปถ้าออกนอกคือเวลาได้ยินอะไรก็คิดไปตามสิ่งที่ได้ยินเห็นอะไรก็คิดไปพุ่งออกไปนั่นคือออกนอกถ้าเข้าในเกินไปจ้องเข้าไปเวลามันสงบเวลามันว่างหรือว่าเวลามันคิดมันจมเกาะเข้าไปในความคิดความรู้สึกภายในอันนั้นก็อยู่เข้าในเกินไป แต่ความรู้สึกตัวจะแค่กระทบรู้ไหวรู้กระทบรู้อยู่นอกๆสบายๆเพื่อนรู้น้ำจะรู้กระจายไปพิบตารู้คือนน้ำลายรู้ตาก็เห็นหูก็ได้ยินนะรู้สบายๆแค่เนี้ยเวลาความคิดมันบูบใบขึ้นมารู้ป๊อบมันจะปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งนั้นการเก็บอารมณ์เราจะได้เห็นความละเอียดของตัวเนี้ยอยู่คนเดียวเป็นอิสระไม่เอาผิดไม่เอาถูกไม่เอาเหตุไม่เอาผล ไม่เอาดีไม่เอาไม่ดีการทําความรู้สึกตัวคือการเรียนรู้สภาวะที่มันเป็นกับกายกับใจเท่านั้นไม่ตัดสินไม่วิพากวิจารณ์อะไรนั้นเราเคลื่อนไหวเราเดินโยนกลมเดินนานา น, านมันปวดมันเมื่อยเห็นอาการปวดอาการเมื่อยล้วก็เปลี่ยนมาสู่การนั่งก่อนที่จะไปนั่งให้เห็นเบื้องหลังของมันว่าทําไมเราถึงต้องนั่งเพราะสภาพทุกข์มันบีบคั้นบังคับถ้าเรานั่งด้วยความอยาก มันจะเป็นอาการหนึ่งเราเปลี่ยนเอียบด้วยความอยากมันจะเป็นอาการอีกแบบหนึ่งให้อาการทางกายมันแสดงตัวมันเต็มที่นั่งเป็นนานๆมันปวดมันเมื่อเราก็เคลื่อนไหวรู้สึกไปเห็นความปวดความเมื่อยเต็มที่แล้วจนมันทนไม่ไหวค่อยเปลี่ยนเอียบด้วยเวลาเปลี่ยนอียบด้วยแล้วความปวดความเมื่อยมันหายไปก็รู้ก็รู้สึกเห็นมันอยู่อย่างเนี้นั่นเราไปเก็บอารมณ์เราจะได้ละเอียดกับตนเองไม่มีอะไรมากอย่าเอา สบายเอาไม่สบายอย่าเอาสงบหรือไม่สงบให้รู้สึกตัวนะในขณะที่เราเคลื่อนไหวรู้กระทบรู้ไหวรู้กระทบรู้นี่ปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็รู้ความคิดเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปแค่นั้นเองไม่เอาอะไรแม้แต่ความว่างความสงบเกิดเบากายเบาใจไม่ต้องไปประคองความว่างความสงบให้รู้สึก รู้สึกดีดออกจากความสงบดีดออกจากความฟุ้งดีดออกจากทุกเรื่องรู้ปล่อยรู้ทิ้งรู้ทิ้งบนพื้นฐานการเคลื่อนไหวใจรู้เคลื่อนไหวใจรู้นี่มันจะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฟุ้งซ่านก็เกิดดับสงบก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันจะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอยู่ตลอดเวลา เห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกายในใจอาการกายอาการใจมันมีแต่อาการนะไม่ใช่มีเราในนี้ดนั้นการทําความรู้สึกตัวจะเห็นอาการเกิดขึ้นขณะนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดสบายไม่สบายนี่คืออาการทางกายอาการทางใจเดี๋ยวคิดเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวมีความไม่สุขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การทำความรู้สึกตัวเป็นการแยกตัวออกมาเป็นผู้เฝ้าดูอาการเหล่านี้โดยไม่ใช่ไปจัดการเอาอะไรกับมันไม่ใช่เราจะไปสแสวงหาความสุขความสงบไม่ใช่เราจะไปปฏิเสธความฟุง้งซ่านความอึดอัดกัดเคืองมันแสดงอาการอะไรให้รู้นั้นรู้จนจิตมันตั้งมั่นเป็นอุเบกขาต่อสภาวะธรรมทั้งปวงสงบก็แค่สิ่งที่ถูกรู้เท่ากันฟุ้งซ่านก็แค่สิ่งที่ถูกรู้เท่ากันดังนั้น่ใหม่เนี่ย ยัง่อยู่กับอาการทางกายอาการทางใจให้อยู่กับรู้สึกเคลื่อนรู้กระทบรู้เคลื่อนรู้กระทบรู้ตามยำ้ำตามซ้ําตัวนี้อาการอื่นๆจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายให้สนใจตัวนี้ตามยำ้ำตามซ้ําให้เกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนานคุ้นชินไม่มีอะไรทําให้จนมันชํานาญเวลาออกมานอกรูปแบบในรูปแบบถ้าเราทําจนชำนิชำนาญเจดวันนี้ไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้ พยงแต่รู้สึกตัวให้เป็นให้มั่นคงหลังจากนั้นเวลาเราออกมาจากนอกรูปแบบปั๊บจะทําเป็นกลับไปสู่บ้านสู่ที่ทํางานจะดูกายดูใจเป็นนั้นเวลาเราทํามาสี่วันห้าวันเนี่ยเมื่อสติสมบูรณ์ระดับหนึ่งเวลาความคิดโผล่เข้ามามันจะแสดงการตัดป๊ตัดป๊ตัดป๊ให้เห็นอย่าไปอยู่ที่ตรงนั้นให้อยู่กับเหตุให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้ เพื่อนรู้กระทบรู้สัมปัตทรู้ตัวนี้จะแสดงตัวกันรวมตัวกันเข้ารวมตัวกันเข้ารวมตัวมันจะมีพลังมันจะทําหน้าที่ไปตัดวงจรของการปรุงแต่งฟุ้งซ่านของมันเองเวลามันเริ่มตัดเจอความเบากายเบาใจความคิดผมมาตัดปั๊บวางปั๊บตัดปั๊บวางปั๊บอย่าไปอยู่กับตัวนั้นให้มาอยู่กับตัวนี้คือตัวรู้ตัวตัวรู้ตัวนี้สมบูรณ์ยิ่งจะทําหน้าที่สมาธิปัญญาเป็นผล สติเป็นเหตุความรู้สึกตัวนี้เป็นเหตุความรู้สึกตัวนี้เป็นมรรคแต่การเข้าไปตัดปงจ้าทังการปรุงแต่งฟงซ่านซึมเศานั้นเป็นเรื่องของผลอย่าไปทําที่ผลให้ทําที่เหตุคือทําความรู้สึกตัวเท้ากระทบเพื่อนแปะแปะแปะรู้ทิง้งรู้ทิงท้งเหมือนเดิมทึ้งมันจะชัดเจนแค่ไหนก็ตามอย่าไปอยู่กับความชัดความไม่ชัดให้อยู่กับความรู้สึกตัวนั้นให้ละเอียดกับเรื่องเนี้ไปเก็บอารมณ์ทํา อิสระจากทุกสิ่งกับใครแม้แต่อาจารย์อาจารย์จะมาตรวจสอบจะมาดูนั่นดูนี่หรือกรอบออกไปให้หมดเลยนะไม่ต้องขึ้นตรงกับอาจารย์ให้ขึ้นตรงกับการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นอิสระเนี่ยการเก็บอารมณ์ไปทําอย่างเนี้ยนะวันนี้ถ้าให้ไปอยู่คนละ ม, มุมหามุมที่เหมาะที่สุดนะไม่ย้ายนะเ <c oughs> อาทาไปขวดนึงเอาเสือไปให้พอ อย่างวันนี้ถ้าเราทานข้าวเสร็จท่านอาจารย์หลวงพ่อถนัดจริแจกให้อยู่มุมนั้นมุมนั้ น, น, นพยายามอยู่กับตัวเองร้อนก็แค่ร้อนเย็นก็แค่เย็นนะร้อนเป็นกับร้อนหนาวเป็นกับหนาวเนี่สติมันยังไม่มั่นคงถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆยิ่งมีอาการทางกายทางใจมากแค่ไหนแต่เรารู้สึกตัวแล้วอยู่กับอาการนั้นได้จิตเราจะโต บางทีนี่ร้อนร้อนมันจะพอถึงจุดที่สติสมบูรณ์เนี่ยร้อนจะอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกตัวจะอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อโทรมกายจตใจมันมั่นคงคนละส่วนกันเลยมันจะเห็นพัฒนาการของสติสัมปัญญะที่มีความเข้มข้นมากขึ้นบางทีฟุ้งนี่คิดคิดตลอดคิดจนความรู้สึกตัวมันสมบูรณ์ความคิดอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกตัวอยู่ส่วนหนึ่งมันจะเห็นขันท่าทํางานของมันรูปประคันแสดงอากานอย่างไร เรทนาขันแสดงอาการอย่างไรสังขารขันความคิดนึกแสดงเงนสัญญาขันมันทำงานตัวรู้ที่เป็นวิญญาณขันมันจะทำงานขันคงเป็นขันมันจะเห็นอาการของมันที่มันทำงานทำส่วนใครส่วนมันส่วนใครส่วนมันเป็นปกติของมันนั่นเราไม่มีหน้าที่อะไรไม่ต้องจัดการอะไรทั้งหมดนะเก็บอารมณ์ทำให้ละเอียดอย่างเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย การเปลี่ยนรอยต่อระหว่างเอียบดให้สําคัญสว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพักเพียบเนี่ยให้ทันอาการเสว่าเอ้ามันเริ่มปวดขึ้นมาปวดเมื่อยเต็มที่แล้วก่อนที่จะไปสู่การาพักเพียบเ ห, เห็นพอพักเพียบเสร็จเห็นเวทนามันคลี่คลายไปนั่งพักเพียบไปสักระยะหนึ่งมันปวดเมื่อยก่อนจะจะไปเดินเนี่ยให้เห็นรอยต่อระหว่างเอียบดต่อเอียบดสติสัมปชัญญจะมั่นคงขึ้นถ้าเราเปลี่ยน ป, ปรับไปตามอาการนี้ ความถี่ของ ส, สติสัญญาจะไม่มากพอนะไม่ต้องแก่ต้องจัดการอะไรทั้งหมดให้มันละเอียดผพบเพียบสู่การยืนยืนสู่การเดินเดินปวดเมื่อยมาแล้วอมีอันหนึ่งนะเวลาทำความเพียนไปเนี่ยสังเกตถ้ามันเริ่มรู้ตัวมันคงดีระดับหนึ่งอย่าไปแช่สังเกตอย่าไปแช่ถ้ามั น, นเนิบๆแช่มีลักษณะหนึ่งซักมันจะทื่อ รู้สึกตัวไปยาวยๆแต่มันทื่อๆอันนี้ให้เปลี่ยนเอียบดเปลี่ยนอาการบ่อยๆดีดออกจากอาการบ่อยๆัรู้สึกว่าใจมันชักแช่ๆเนี่ยดีดออกเปลี่ยนจังหวะบ้างเปลี่ยนเอียบด์บ้างช่วยมันแต่ถ้าบางท่านอตัวนี้มันต้องลงละเอียดแต่ละคนบางท่านทํารู้สึกว่ามันไม่แม่นพองเนี่ยทํานานๆบางคนต้องทําสั้นๆอันนี้ให้ปรับตัวเองเอกนะอาจารย์อาจจะไปช่วยอีกทีหนึ่ง น, นะ ให้ดูว่าถ้ามันแช่หนึ่งแช่ในความคิดความคิดชักยาวๆเดินเรื่องนี้ชักจะวนแล้วก็ยาวอันนี้เรียกว่าแช่ในความคิด น, นี่ดีดออกเปลี่ยนจังหวะเดินถอยลังบ้างก็ได้เดินฉักชัก ช, ชถ้าบางท่านเนี่ยเดินจังหวะเดียวแล้วจิตเนิบเนิบเนื่อยเน่อย เ, เ, เ, เช่นความง่วงไม่ขาดเดินแล้วมันมันไม่ง่วงหรอกแต่ว่ามันยังทื่อๆไม่ไม่ใสเหมือนขมุก ข, ขมัวอยู่เนี่ย ทําให้มันฉับๆๆใบๆขึ้นเดินกลับหน้ากลับหลังกลับหน้ากลับหลังให้กระตื่นรุน อ, อ, อ, อย่างเนี้ยจิตมันจะโป่งออกนะถ้าบางท่านทําไปแล้วเนี่ยมันสงบไม่ค่อยคิดอะไรแต่มันยังไม่ใสอันนี้ก็ต้องเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนแนวบทบ่อยๆให้สังเกตตนเองโยนิโสมนาสิการบริบูรณ์สติสัมปชัญญะถึงจะบริบูรณ์ความช่างสังเกตสังการในอาการกายใจของตนเองเนี่ยบนพื้นฐานของความรู้สึกตัวนี่แหละ โยนสูมานันิการบริบูรณ์สติสัมปัญญาถึงจะบริบูรณ์เมื่อสติสัมปัญญาบริบูรณ์อินทรีย์สังวรจะเริ่มเป็นคนสงบรึครับโดยธรรมชาติพอเดินออกจากทางจงกรมดูดเข้าหากันเหมือนขั้วบวกขัข้วลบสติยังไม่ดีอ๋เดี๋ยวแสด็จหากันถามกันวิเคราะห์กันอะไรเนี่ยหมายถึงวจิตยังไม่เป็นอิสระยังต้องการการเทียบเคียงเหตุผลเวลาสติสัมปัญญาบริบูรณ์แล้วจะเป็นตัวของตนเอง ไปไนมานจะนิ่มนวลเป็นธรรมชาติจะสํัมวมสงบนะอินทรีย์สังวรบริบูรณ์จากสติสัมปจนญะบริบูรณ์ถ้าสติสัมปจนยะบริบูรณ์อินทรียสังวรบริบูรณ์ศีลจะบริบูรณ์หลังจากนั้นจะเห็นความคิดผุดภัยขึ้นมาเพราะมันจะตัดวางตักวางตัดวางคุ้มครีกับความคิดน้อยนะถ้าศีลตัวนี้สมบูรณ์นะนิวรธรรมจะไม่มีอาหารเลย ที่เราซึมเราฟุ้งเราอะไรต่างๆนี่เพราะว่าสติสัมยะมันไม่ค่อยบริบูรณ์นั่นเองนี่วรธรรมนี่แหละเป็นอาหารของอวิชชานะง่วงอ้วยง่วงไม่ได้เสียสตังหรอกหลับหลับบังก็ดีอันนั้นใช่ไม่ได้นะคิดว่าใครจะมาว่าอะไรเราฟุ้งซ่านเป็นสิทธิส่วนบุคคลนัล่นคือเราเติมอาหารให้อวิชชานะอวิชชามีนี่วรธรรมเป็นอาหารนี่วรธรรมมีทุตจริษฐานเป็นอาหาร ชุดริสามีการไม่สังวรอินทรีย์เป็นอาหารการไม่สังวรอินทรีย์เพราะไร้สติสัมปชัญญะเป็นอาหารของมันนะการได้สติสัมปชัญนญะเพราะไม่มีความเยียบขายไม่มีความเยียบขายเพราะว่าไม่มีศรัทธาพร <c oughs> ะเจ้าท่านตรัสไว้นะ เพราะการคบสัตยธรรรุษอย่างบริบูรณ์ย่อมอย่างการได้ยินได้ฟังพระสัตธรรมให้บริบูรณ์อย่างเรามาพบปะครูอาจารย์เนี้ยจัดคอร์ดอย่างเงี้ยจะเกิดการได้ยินได้ฟังเพราะการได้ยินได้ฟังสัตธรรมอย่างบริบูรณ์ย่อมอย่างศรัทธาให้บริบูรณ์เกิดความเห็นเหตุเห็นผลได้กำลังใจมีความมุ่งมั่นเพราะศรัทธาบริบูรณ์โยนิโสมนานสิการจะบริบูรณ์ถ้าใครทำด้วยความศรัทธาจะเริ่มละเอียดละออกับตนเองสังเกตกายใจเป็นอย่างไรขนาดที่เราวางมือวางเท้าเราเดินขนาดเนี้ย ถ้าเราทำศัตว์ธรรมรอเวลาเลิกมันมันไรสถาถ้ามีสตาจะสังเกตสังกาละเอียดกับตนเองขณนะวางกายวางใจอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราจะเห็นโยนิโสมนสิการบริบูรณ์เติมสังเกตแล้วล่ง่วงเพราะอะไรเอียบทนี้เราแช่เกินไปไหมเรายกมือกายกับใจสัมผันสกันดีไหมมันลวกๆวกไปไหมเรากินมากไปไหมจึงง่วงเราคุกคีกับเพื่อนเราคุยอารมณ์มันตกค้างไหมมันจะละเอียดเขาเรียก ว, ว่าโยนิโสมนสิการ ถ้ายนิสสมนณสิการบริบูรณ์สติสัมปชัญญะจะบริบูรณ์จะเริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ตื่นนอนจนนึงหลับนอนจะละเอียดแยบคลายถ้าสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วอินทรีย์สั้งวเจะแสดงออกมาตามธรรมชาติเคยคุกคีเคยเจาจะแจ๊คเคยวุ่นวายเคยโน่นเคยนี่จิตแส่ใสเนี่ยมันจะเริ่มกลับเข้ามากลายเป็นความสํารวมสงบตามธรรมชาติอินทรีย์สังวรบริบูรณ์เนี่ยพวกอื่นๆก็จะถูกหลาน กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุตจิตความคิดเล้วไหลไร้สาระเนี่ยจะถูกตัดออกจะรู้สึกว่าเป็นภาระนะทุจริตสามกายทุตจิตวจีทุจริตมโนทุจริตการพูดไม่ดีการทําไม่ดีโดยเฉพาะมันจะเริ่มต้นที่การคิดไม่ดีรู้สึกว่าหนักเป็นภาระวิพากวิจารคนนั้นเอาโน่นเอานี้เอาเหี้ยดเอาฝนเอาถูกเอาผิดจิตมันจะรู้สึกเป็นภาระเลยมันจะทิ้งทุจริตทั้งสามนี้เมื่อทุตจิตทั้งสามถูกทิ้งแล้ว นิวรธรรมจะไม่ค่อยมีอาหารนะทีนี้การมาฉันทะคิดถึงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องยิงเรื่องชางก็จะถูกละถูกวางนะที่น้มิทธะความหมดหูความสั้สายของจิตความรังเลสงสัยนะั้นมันจะถูกรู้ถูกวางถูกละถ้านิวรณธรรมมันถูกละจิตจะเป็นสมาธิตามธรรมชาติอวิชาก็จะไม่มีอาหารแล้วนั้นเวลาเราฝึกปฏิบัติเจริญสติไปมันจะเป็นลําดับอย่างเนี้ยเป็นลําดับอย่างเนี้นั้นวันนี้นะไปเก็บอารมณ์เนี่ย หลังจากเราทานข้าวเสร็จเนี่ยจะได้มุมเหมาะเหมาะสำหรับตนเองเราจะได้เรียนรู้ตนเองอย่างเต็มที่นี่คือการเรียนรู้ไม่มีผิดมีถูกอะไรในเรื่องเนี้ยมีแต่การศึกษานะวันนี้เราทานข้าวทานปลาสังเกตหลายๆท่านทําในรูปแบบดีมากพอออกนอกรูปแบบเนี่ยให้มันเชื่อมต่อไปนะทานข้าวอย่างเรากินข้าวเนี่ยไม่ได้จ้องใส่ที่อาการกาย อย่างเปรี้ยวหวานมันเค็มมันสัมผัสอยู่แล้วเนี่ยอาการธรรมชาติมันมีอยู่มันรายงานอยู่แค่รับทราบลงไปที่ตรงนั้นน้ำหรือว่าเราเรากินข้าวคาเนี้ยมันจะรายงานต่างกันพอเปรี้ยวหวานมันเค็มมันผ่านลงไปแล้วความเจือบมันก็ปรากฏมันมันจะมีธรรมชาติปรากฏให้เรารับทราบอยู่อาการที่เป็นปรมัติฐสภาวะนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งหวานเปรี้ยวเค็มอะไรที่มันแตะมันรู้สึกตัวมันจะเข้ามารู้อาการอันนี้ย นั้นให้รองเชื่อมต่อไปนอกรูปแบบดูให้เป็นเดินกลับไปที่สัว่าเราเดินจากนี้ไปเข้าห้องน้ําเราไม่รู้ตัวสักก้าวเลยสติมันยังห่างมากเราถอดรองเท้าเราไม่สัมผัสอาการถอดรองเท้าเลยนี่สติมันยังห่างจากนี้เดินไปสู่ที่ทานอาหารเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวสติมันยังห่างทําจุดนี้ถมจุดนี้ให้มันเต็มเราไปนั่งลงเพราดื่มเรากินจริงข้าวมื้อหนึ่งเรารู้ตัวไม่ได้เลยเนี่ยสติมันยังอ่อนเกินไป นั้นเราฝึกซ้อมนอกรูปแบบนี้ทำให้มันถี่พอถี่เพราะมันจะเชื่อมต่อกันถ้ามันเชื่อมต่อกันสักระยะหนึ่งมันจะเกิดความตื่นโผงเบากายเบาใจพอความคิดมันผุดโผล่ขึ้นมาปั๊บมันจะวางสลัดออกมันจะว่างว่างคิดว่างคิดว่างคิดมันจะเริ่มเห็นรอยต่อของความคิดกับความว่างเนียพอความคิดโผล่ขึ้นมาปั๊บโผล่มาปั๊บมันว่างวางปั๊บมันจะว่างว่างแล้วโผล่มาปั๊บมันจะว่างมันจะวัยต่อการสลัดความคิดถ้าความรู้สึกตัวมันมั่นคง นันในช่วงที่มันสลัดความคิดนะมันเป็นผลอย่าไปเอาผลเป็นตัวตั้งให้เอาเหตุคืออยู่กับความรู้สึกตัวให้มันเป็นถ้ารู้สึกตัวเป็นเนี่ยมันจะทำงานของมันเองโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องจัดการมันนะวันนี้เก็บอารมณ์เนี่ยเราให้เป็นอิสระได้ไปเรียนรู้ตัวเองนะอาวันนี้แนะนำกันเท่านี้แหละ นี่ให้ลุกขึ้นแล้วก็เดินเป็นแถวตามที่เราเหมือนเราที่เดินมานะันเดินกลับทุกขึ้นแล้วก็อาศนะทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไป